มีทำยังไงดีแม่ชีเทเลซามั้งแกเคยพูดเอาไว้แล้วก็คุณท่ชานนท์นครเนี่ยเอามาเอามาเอามาเตือนใจด้วยคุณท่ชานนท์นครรู้จักใช่ไหมค่ะทำทงานกับเด็กเด็กที่เด็กเลิกเด็กเด็กที่มีปัญหาค่ะซึ่งบางหลายคนเป็นเด็กเหลือขอแกพูดให้ดีวว่าเนี่ยอย่าคาดหวังในตัวเด็กให้ใหมีความหวัง อยากคาดหวังในตัวเด็กแให้มีความหวังกับเขาอยากคาดหวังแต่ที่มีความหวังใช่เพราะถ้าเราคาดหวังเนี่ยมันก็ทุกทั้งสองฝ่ายใช่ไหมเราก็ทุกข์ เ, กกเขาก็ทุกข์เขาทุกข์เพราะเขาถูกคาดหวังก็ถูกกดดันไอเราก็ทุกข์เพราะว่าเขาไม่เป็นไปตามความคาดหวังหรือว่าถึงแค่หรือถึงแม้เขาจะยังไม่รู้ไ ม, ไม่รู้ว่าออกออกไก่อแล้วก็กังวนแลแต่ความคาดหวังเนี่ยมันมัน ลึกๆมันก็มีเรื่องของตัวกูของกูเข้าไปใช่ไหมเราอยากจะให้เด็กเป็นอย่างที่เราคาดอยากจะให้เด็กเป็นอย่างที่เราที่เราปรารถนามันก็เป็นตัวกูของกูชนิดหนึ่งใช่ไหมอยากให้เด็กทาําตามความฝันของเราบรรลุความฝันของเราเนี่ยใช่ไหมแต่ถ้าเราหวังเนี่ยหวังในตัวเด็กเนี่ยมันต้องให้เขาสึกมีสละทําไมก็สึกว่าเออ ทำให้มันเป็นมันไ ป, นเปน empower เขามันทําให้เขาสึกว่าเอเขามีศักยภาพถ้าเราหวังในตัวเขาเนี่ยเรามีความหวังในตัวเขาเนี่ยเด็กเลือกขอเนี่นะมันมันรู้สึกรู้สึกดีขึ้นม า, มากๆเลยเมื่อเขาสึกว่า ม, มีผู้ใหญ่เนี่ยมีความหวังในตัวเขาว่าเขาเนี่ยจะสามารถจะเป็นคนดีได้ เขาจะรู้สึกมีความมั่นใจในตัวเองมากขึ้นและเขาจะพยายามที่มันจะไปกระตุ้นพลังบวกในตัวเขาใช่ไหมดังว่านในสมาี่ว่าเนี่ยถ้าเราคาดหวังเขาให้น้อยลงแล้วก็มีความหวังในตัวเขามากขึ้นเนี่ยบางทีมันจะช่วยนะมีเพื่อตา ม, มา รุ่นเดียวกันนะตั้งแต่เรียนตั้งแต่เรีอัดซตั้งแต่ตั้งแต่อสสตแตตแตพอห้าด้วยกันรู้จักกันมาห้าสิบปีวันหนึ่งก็มาไปเจอกันที่งานศพแกก็มาขอบคุณนันท ม, มาว่าขาวาขอบคุณเรื่องอะไรแกบอกว่าได้ฟังคำบรรยายตอนหนึ่งที่พูดถึงเรื่องว่ามันไม่มีอะไรที่เราจะยึดมั่นเป็นของเราได้เลย ร่างกายนี้ก็ไม่ใช่ของเราทรัพนยะ์สมบัติก็ไม่ช่องเราแม้กระทั่งลูกก็ไม่ใช่ของเราเลี้ยงเลี้ยงเลีเล้ยงตัวเนี่ยมีคนพูดว่ารูกนนี่งเลี้ยงได้แต่ตัวแต่จริงๆก็ก็เลี้ยงไม่ได้แม้กระทั่งตัวใช่มัมเพราะอยากให้ลูกอ้วน ม, มันก็ไม่อ้วนอยากให้ลูกพร้อมมันก็ไม่พร้อมใช่คือ<ด><น carrier>เขาฟังเาก็ได้คิดเพราะมีปัญหา กับลูกเขาซึ่งกำลังเรียนมหาลัยตัวเขาเนี่ยเป็นนักธุรกิจเป็นเด็กเรียนดีใช่เป็นคนมีวิ น, นัยนะขยันใฝ่รู้แต่ลูกนี่ก็เ จ, เ จ, เจนเอจนอกันนะยังไงก็ได้ไงคือไม่ค่อยมีวิ น, นัยพ่อก็ไปเขี่ยวเข็นกดดันต่อว่าลูกความสัมพันธ์ก็เริ่มแย่ แล้วง ก, กไ็ไม่ได้ดีขึ้นเลยเลยพอเขาได้ฟังที่เราพูดเนี่ยเขาก็ได้คิดแล้วเขาก็ เ, เขาหยุดหยุดหยุดบนกลดาลูกน้อยลง อ, อ่บนหยุดบ่นว่าลูกเนี่ยน้อยลงใช่เพราะเขาก็รู้ว่าเขาเขาเนี่ยไปยึดมัน่นถือมั่นในตัวลูกมากอย่าให้ลูกเป็นอย่างเขาอ่ะนี่พอทำให้สุภาพนเนี่ย คงพักใจนะว่าหนึ่งลูกก็บอกคุยบอกเข า, เขาว่าพ่อเปลี่ยนไปนะเห็นี้พ่อฟังลูกมากขึ้นบอกว่าลูกเนี่ยพฤติกรรมก็เปลี่ยนไปนะความสมานเท่ากับลูกก็ดีขึ้นเขาก็เลยก็มาเลยมาขอบคุณนะก็ <c oughs> <c oughs> นี่ยคือ <c oughs> บางทีเนี่ยความโกรธของเราเกิดจากความที่เราคาดหวังในตัวเขามีแล้วความคาดหวังก็ทําให้เราทุกข์ เขาก็ทุกข์ด้วยต้องเปลี่ยน ม, มาเป็นความหวังทนหวงังมีความหวังในตัวเขาแล้วก็พยายามสับสนให้เขาได้เป็นอย่างที่เขาเขาอยากว่าใช่ค่อย่างถ้าเราทำวิธีนี้ค่ะแต่ว่าทำม่งมันไม่ได้นะคะเช่นฟันฟันนะคะกำลังจะต้องสอบข้ามวสีค่ะแต่เขาแต่าไม่รู้ว่าเขาควรจะทำอะไรเลย ก็เป็นช่วงหัวเรี่ยวหัวต่อที่สําคัญมากนะคะอันนี้เขาก็ปล่อยวางยากเหมือนกันนะคะเพราะนั้นเกินหนาคนเขงเพราะว่าปล่อยวางมันมันปล่อยที่ใจนะแต่ว่าอะไรที่ควรทําก็ก็ควรทําแต่ทําคือปล่อยวางเป็นเรื่องการทํากิจในะส่วนการที่จะเลี้ยงดูเขาให้กำลังใจเขาแนะนําเขาก็เป็นเรื่องตองทาเป็นเรื่องการทํากิจ ถ้าเราถ้าเราถ้าเราเราเราทํากิจต่อลูกเนี่ยนะก็อย่าลืมดูใจเราด้วยเว่าใจเราเนี่ยมันทําด้วยความวิตกกังวลไหมด้วยความดิ้นตนถือมั่นหรือเปล่าบางทีเราวิตกแทนลูกเรากังวลแทนลูกบางครั้งเนี่ยเราไอ้ความกังวลแทนเขาเราก็ทําให้เราไปไปไปพุชเขาไปกดดันเขาสมัยก่อนในพระท่าทีแบบนี้อาจจะทําได้นะกับกับเด็ก กับลูกเนี่ยเหมือนครูสมัยก่อนก็อาจจะอาจาอาจะเขี้ยวเข็นลูกเขี้ยวเข็นเด็กได้แต่สมัยนี้เนี่ยเด็กเขาก็มีความพิเของเขาบางทีพ่อแม่ไปไปพุชลูกก็าอาจจะโต้กลับก็ได้เพราะว่าเด็กสมัยนี้เนี่ยก็คงไม่เหมือนสมัยเรารือสมัยก่อนใช่มเพราะมีวิธีคิด คนแบบของเราก็ามีค่านิยมแตกต่างจากเราถึงมีคําพูดว่าเจน gen กเจนไวน์นี่ยังก็ต้องพยายามทำงานให้เขาเกิดจริงๆถ้าก็เกิดชันท่านในการเรียนได้ยิ่งดีนะถ้าก็เกิดชันท่านี่เราก็ไม่ไปไม่ต้องไปไปคุมเขาแจไม่ต้องไปเขี้ยวเขีนไม่ต้องไปกดดันนะเขาเขจะมีความก็จะมีชันท่านในการเรียนโดยเพราะ t h า t เขารู้ว่าจุดมุ่งหมายการเรียนคืออะไร คือเด็กนี่ถ้ารู้วเรียนไปเพื่ออะไรนี่นะฉันถ้ามันเกิดขึ้นในในในเมียนยาเขาไม่รู้เขาเรียนไปเพื่ออะไรเนี่ยแม้แต่จะแม้แต่จะเลือกว่าจะเรียนอะไรคณะอะไรหรือชอบอะไรเนี่ยเขาก็ตอบไม่ได้เอ็ง <c oughs> ก็ต้องเลือกต่อยการทําทำให้เขาเนี่รั่วเขาเรียนไปทําไมแล้วก็ให้เขารู้ว่าให้รู้จกักให้เขารู้จักตัวเองด้วยว่า เขาชอบอะไรเขาถนัดอะไรถ้าครูก็ชอบอะไรเนี่ยไอการปลูกชันท่านในการเรียนก็จะง่ายขึ้นเชอบีีฟค่ะเดีว้าีีฟอ่งเดียวไม่ได้เลเรียนหนังสืออเนี่ยก็คงคืออาตมาก็ชอบเล่นบอลนะแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องการเรียนก็ชอบวิทยาศาสตร์นะ ชอบปวัติศาเนี่ยและพอพอรู้ว่าชอบอะไรเนี่ยมันคือพอชอบพอชอบพอพอรู้ว่าเรียนไปเพื่ออะไรแล้วก็รู้ว่าชอบอะไรเนี่ยมันจะมีแรงจูงใจของตัวเองมัจะมีดรฟブของตัวเองเนะเด็กดก็้กเด็กม .4 เนี่ยเด็กจะเรียนเด็กม .3 เนี่ยมาว่าเขารู้ได้แล้วเขาจะเขา เขาหน้าจะเรียนไปเพื่ออะไรหรือว่ารู้ว่าเขาชอบอะไรเราก็คงช่วยตรงนี้ช่วยให้เขารู้ว่าเขาชอบอะไรนะแล้วเราก็รู้แล้วเนี่ยมันมันจะมีแรงขับเคลื่อนของตัวเอง ไม่แน่แต่ว่าคือนอกในรูปแบบเมื่เราไปปฏิบัติก็เราก็ไม่พูดใช่ไหมครับก็อยู่แต่ว่านอกรูปแบบคือออกมาจากคลิตแล้วผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้กำลัคิดอยู่ว่าจะหาผู้ใฝ่และให้ตัวเองได้สามารถทันหรืออย่างน้อยก็มีเปมีที่สารกดดันที่ว่ามัปิดวาระสว่างหวานช่วงหวานแต่ก็กลัวจะว่าทำงานแล้วก็จะ หลายเยอะมหาอยู่ว่าจะเป็นช่วชครอะไรเนี่ยถ้าการแนะนำว่ะคือ ส, สติเนี่ยสาคัญ ท, ท, ที่สุดเลยสมามวาจายันยนงนงสามวาจาถ้ามีสติรู้ทันเนี่ยมันก็จะก็รู้ว่าอะไรควรพูดอะไรไม่ควรพูดใช่ไหรือว่ารู้ว่าจะพูดแบบไหนเพราะฉะนั้นการการมีสติเนี่ยมันจะช่วยได้แต่ขณะเดียวกันการที่เรามี มีมีข้อกำหนดให้กับตัวเองว่าอะไรที่ไม่ควรพูดอันนี้ก็ช่วยได้เหมือนกันอันนี้ก็เรียกเป็นศีลมันก็เป็นศีลจริงๆร้ๆทาทยดีนะถ้าส่วนเป็นปัญหามากนะต้องมีมีวิธีการที่จะที่จะบังคับให้ตัวเองเนี่ยไม่เผลอเช่นลงโทษเช่นปรับมีค่าปรับ ดีเขาปรับว่าถ้าถ้าเราไม่ได้ทําอย่างที่เราถ้าเราไม่ไม่ได้เผลอทําในสิ่งที่เราไม่อยากจะทําผลอทําเผลอพูดในสิ่งที่ไม่ควรพูดนี่เรก็ปรับนะการปรับตัวเองเนี่ยมันก็ช่วยทําให้เรามีสติดีขึ้นด้วยนะเอาเนี่ยปรับครั้งละสิบาทยี่สิบาทห้าสิบาทร้อยบาทเราไปไปใช้เอาเงินที่ได้ไปทําบุญทำกุศลไป ต้องมีต้องมีต้องมีต้องมีแบบนี้ด้วยทั้งสติด้วยนะแล้วก็กติกาให้กับตัวเองกติกาก็เหมือนกับวิ น, นัยหรือหรือศีลใช่ไหมอันนี้จะช่วยทำให้เราทำอย่างทำสิ่งที่เราตั้งใจทำเนี่ยได้ เนี้ยเข้าใจว่าท่านคงรู้สึกว่าตัวท่านเป็นภาระกับเรามากจะมีคําพูดที่ท่านจะพูดบ่อยๆว่าอยากจะตายแล้วท่นจะไม่ตายสักทีไม่รู้จะทําอย่างไรบางครั้งคำพูดเนี้ยจากการสังเกตเราคิดว่า1นึ่แม่ไม่อยากจะเป็นภาระกับเราหรือสองบางทีมันอาจจะมีอาการที่เราเองอาจจะเหนื่อยหรือหงดหงิดหรือมีการพูดจาอาจจะทําให้เขาไม่พอใจ คำถามที่จะเรียนถามพระอาจารย์พว่าขณะนี้ต้องดูแลคือแย่หนูแต่อยากจะให้ทขาเป็นกำลังใจหลายครั้งบางทีก็พูดกับเขาว่ายัางไงก็ได้ตายแน่เ <c oughs> พียงแต่ว่ามันอยากไปเร่งเลยมันไม่มีประโยชน์ที่เราจะเร่งเราเร่งตายก็ยังไม่ตายก็เมื่อเวลานั้นมาถึงก็ขอให้เปลี่ยนที่ทองซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าคาพูดลักษณะอย่างนี้เนีย่ยเสียงเนสมควรจะพูดหรือไม่สมคะวรจะพูดมีหลายก็เลยอยากเรียนถาม ก็จะไำให้ท่านให้ท่านยอมรับแล้วก็ไม่ต้องกระวนในเรื่องพวกเนี้ยือบงทีคนบางคนก็เป็นผู้ให้แล้วก็ไม่คุ้นกังการเป็นผู้รับพอเป็นผู้รับเมื่อไหร่เนี่ยรู้สึกไม่สบายใจเป็นทุกข์ว่าตัวเองเป็นผารับคนอื่นแต่นี้ลูกเนี่ยอยู่ในฐานะที่จะพูดได้กับแม่ว่าเนี่ยการที่แม่ป่วยเนี่ยเป็นโอกาสให้เราได้ทําบุญเป็นโอกาสให้เราได้ตอบแทนคุณ เป็นการาได้สแสดงความประตันอยู่กระตบเวทีนะเรามีความแล้วก็แซก็เห็นว่าเรามีความสุขที่ได้ที่ได้ทําอย่างนั้นนะก็มีก็มีเพื่อนเนี่ยนะที่เขาก็ใช้เขาบอกในช่วงเวลาช่วงเวลาช่วงช่วงเวลาที่แม่ป่วยหนักจนจากไปเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่เขาได้ทําในสิ่งที่มีค่าที่สุดในชีวิตคือการดูแลแม่นะแล้วเขาก็มีก็ แม่เป็นมะเร็งเขาก็ก็ดูแลแม่แล้วก็สนุบมีความสุขกับแม่นะกอนแม่ทุกวันนะหอมแก้มแม่ทุกวันแต่ก่านไม่เคยทำนะนะคือเขาทําให้ช่วงเวลาแต่ละวันของของแม่ที่ป่วยเนะี่ยเปนช่วงเวลาที่มันมีความสุขร่วมกันและแม่เขาก็ไม่เคยไม่เคยที่จะที่จะบ่นอยากตายนะแล้วก็ก็จากไปอย่างสงบ ทีถ้าเกิดว่าเขาเขารู้สึกว่าเนี่ยถ้าเราทําให้ช่วงเวลาที่เขาป่วยเป็นช่วงเวลาที่มีมีคุณค่าเป็นช่วงเวลาที่กระชับความสัมพันธ์ระหว่างแม่กับลูกนะเขาก็จะมีความสุขและคงจะไม่คิดที่จะที่จะอยากตายนั่นหปายความว่าสิ่งที่เราทำอาจจะยังไม่มากพอ คือคอย่างที่พระอาจารย์ได้ได้เล่าให้ฟเนี่ยตัวเองเขไม่เคยทําเรื่องแทนกอดแม่หมอมแม่แล้วก็ชวนสวนมดมนต์ก็ก็ทํำมาตลอดในช่วงเวลาแบบนี้นะคะแต่ว่าแต่โดยนิสัยส่วนตนัวเขาเล่นเรื่คี้ประชดเด็กๆด้วยเหมือนกันแต่ทีนี้เราก็สัมผัสได้ว่าบางครั้งเขารู้สึกเกรงใจกั บ, บการต้องยกต้องแดงต้องอะไรอย่างเงี้ยนะะแต่เราก็ไม่รู้จะทํำยังไงที่เขาเหมือนกับยอมรับสภาวะ ก็ได้บอกแม่ว่าพี่ยอมรับสภาวะ น, นี้เกิดมันก็ไม่ได้เป็นเป็นอะไรมากอย่างเงี้ยค่ะแต่ช่วงหลังก็จะพูดเยอะนะคเราก็ในแง่หนึ่งก็ต้องพยายามเข้าใจความสุขเขาเพราะว่าเ อ, อคนที่เขามีทุกขเวทนาเนี่ยมันก็ต้องก็ต้องมีความสุกอึดอัดนะคบางทีแต่ถ้าเกิดเราพยายามเข้าใจความสุกของเขาแล้วก็อยากเห็นใจเขานะแล้วก็แคร์กันก็พยายามทําให้มันมันเป็นช่วงเวลาที่ ที่ทําให้เขาเห็นว่าเนี่ยเขาไม่ได้เป็นภาระใช่ไหมก็แม่เนี่ยก็ดูแลลูกมาต้องนานนะตั้งแต่เล็กใช่ไหมดูแลมาต้องหลายปีก็ให้โอกาสลูกดูแลแม่บ้างใช่ไหมสิ่งที่ลูกทําเนี่ยจะเรีลว่าน้อยกว่าที่แม่ทําให้กับลูกต้องเยอะแยนะการที่แม่เนี่ยอุ้มลูกมาเก้าเดือนนี่นะโอ้แล้วก็คลอดนี่มันทรมานนะมันก็ทุกข์นะแต่แม่ก็ทํา ใช่ไหมและสิ่งที่เราทําให้กับแม่เนี่ยมันมันเทียบไม่ได้กับที่แม่ทําให้กับเราถ้าพูดอย่างงี้กับแม่เนี่ยแต่มาเที่ยวก็ทําให้ถ้ารู้สึกว่าตัวไม่ได้เป็นภาระกับลูกใช่ไหมกำลังเป็นผู้ให้ให้โอกาสให้โอกาสลูกเนี่ยได้ตอบแทนบุญคุณแม่ให้โอกาสลูกได้ทําบุญบ้างใชเราไม่มีเวลาที่ไปทําบุญที่ว่าก็มาทำบุญกับแม่เพราะแม่ก็เป็นผ้าอรหันต์ของลูกเนี่ย คือทำไมให้แม่รู้สึกว่าเนี่ยการป่วยของแม่เนี่ยเป็นการช่วยลูกเป็นการให้โอกาสกับลูกทําความดีแม่ก็อยากจะให้ลูกเนี่ยนะได้ทําบุญอยู่แล้วนะอย่าไปคิดว่าตัวเองเป็นผู้รับแต่เป็นกําลังเป็นผู้ให้ <c oughs> ให้กับลูกนะก็คิดว่าก็คงจะทําให้แม่สึกว่าเออเรากําลังช่วยลูกให้เก็ได้ทําบุญได้ตอบแทนคุณลูกจะได้เจริญเจริญ ก็ต้องพูดในแง่ น, งนี้ด้วยอาจารย์บอกอาจารเดี๋ยวก็เลยมีอย่างนี้นะคะก็อยากจะบอกว่าเองก็เป็นในฐานะแม่แต่ตอนเป็นเนี่ยเป็นหัวเนื้อแอบบรรลุตัวว่าเป็นปุ๊บตงกระายใช่มต้อเป็นอะไรไม่ได้พบตั้งสปีที่หาเหรอเป็นะเรืองขั้นที่สาม คมหมอบอกเนี่ยไม่ตกใจเลยนะคะไม่ตกใจไม่ตกใจไม่กลัวไม่ดีความไม่มีความรู้สึกใดๆทั้งสิ่งนคือก่อนพบหมอเนี่ยบอกหมอก็เองก็เ็นคนที่แข็งแรงมากเป็นคนแข็งแรงมากที่นี้คือไม่ไม่เคยเจ็บเลยไม่เคยกระโดดที่ไปไม่รู้ความเจ็บปวดเปยังไไอ้ปดนตัวร้อยเนี่ยโอเคธรรมดาจะมาทีนี้พอตัวก็บอกหมอ หมอขอให้สัญญากับยายเหมือนกันไหมหมอเขก็เราหมอเขาเราอสัญญานะเป็นสัญญาระหว่างเราสองคนถ้าหมอตรวจแล้วเขาก็เป็นเลือดร้ายแรงที่เก็บอะไรไม่ว่าขั้นไหนห้ามหมอบอกใครอย่างได้คนเดียวพราะเราเรารับใจเราเรารู้แล้วระหว่างอะไรของเราไว้หมดแล้ บางครั้งที่ไม่เคยเจ็บป่วย น, นะฮะสายหมอว่าตรวกหมอตกใจนะหมอตกใจคนะ่ะหรวอยกังไงเข้ามาบอกอ้โห่โโกรดหน่อที่สุดนั่งนั่งขึ้นนั่งอยูวันรถเข็นเนี่ยถ้าเอาเราไปไว้ที่อื่นแล้วก็ไปเรียนลูกเนี่ยลูกนี่ยเข้ามาด้วยแล้วก็มีน้าสาอีกคน ธรรมดาก็นั่งเปอนู่แต่เราเองเขาท่างาให้โดยทีละคนเนียวดูซิไปเห็นตัวไปท่ห้องจดตัวไปยืนขึ้นเลยค่ะยืนขึ้นแล้วชี้หน้าหมอหมอไม่มีจัญญาบังบอกกับเราแล้วเพราะเราที่เรารู้เราจึงบอกกับหมอเรารับได้แต่ถ้าคนอื่นรู้คนอื่นเขารับไม่ได้มันกระทัน แต่เราก็เราเองก็ไม่ทราบนะฮะว่าเป็นอะไรไม่ทราบอื่นแต่เราคิดว่าไม่ว่าจะเป็นอะไรมันก็คือเป็นการเลือกแค่นี้ไม่อะไรไปรอดท่านของท่านมาแล้วนะไม่ต่อไม่ต่อไม่ต่อเนี่พอสิ่งแรกที่เราปุ๊บพนันุโอ้โหพอสั่มืสาโทรไปลุกชอบเลยทุกคนเนี่ย ้เราต่ น, ตนีคือเราเราเราื่องแล้วถ้าตืนาบอกว่าเราเป็นมะเร็งอะไรอยาเราวางแผนเอาไว้แล้วว่าจะทำยังไงพอรู้วามะเร็งเนี่ยขั้นแรกเนี่ยสัตร้ายเรก็สงสารลูกเราลูกเราอยาแล้วมเมอเราเอาจาชีพคนที่เป็นภูมคุ้กนคือคนรอบตัวแต่คนที่ไม่พูมิคุ้มกันตัวเร ไม่รู้สเฉยเยไม่รู้สึกว่าเจ็บปวดหรืออะไรแต่อะไรเลยไม่รู้สึกเยแล้วตัวไปตรวจ้องขอมท้องของผมกจับบม้อหลายเดือนนะีนี้ก็รูปก็รอไม่ได้ต้องไปชนกเอาไปอกไปจับแ้รออนิดนึงทั้งหมดนเข้าไปจ้าอเหร่กือบแนีก็เห็แล้วร ก็มีมีเน่ยจาบตาใจคุณหมอเนี่ยนะ่เก่งจะได้่เป็นเจ้าของค้ายเด็ดเก็ไม่ได้พูดอะไรกับเราเราเราดแล้วเให้ไปทำใหม่อาจารย์กับแล้วก็บอกว่าให้เวลาไม่เวยดห้วัน้าวัน้าวันสำหรับเตรี่ยมตัว รองเชิญทำมาแม่ลต่อนี้รอเราก็จะไม่ไม่เป็น่าง้ก็ลูกสาวทำตามหมอหมอให้ก็ปิดหน้าวันอยู่ที่้าน้ก็ไมอกสติซ่งเวลาเราก็เข้าห้องผ่าตัดแล้วก็ตองอกมาที่กกเป็นยางไม่ไม่ทีนี้แต่เรามาที่เราคือตรงที่แม่ในราฐานะที่เราเป็นแม่เราบูนค่าเราคานวณนะได้จัด ว่านี่คือภาระที่ดูจะต้งองนะแบ่งนะจไอ้ส่อนี้มัคนะครัวเราค่ะครัวเงินนะเท่าไหร่มันต้องผมผมไม่จบไอ้นี่พอเสร็จแล้วก็ทุกวันเนี่ยส่สนมากเลยจะพูดว่าอยากตายอยากตาเพราะว่ามันเปิดจินเงินเราอย็นงที่ น, นนะมันจินเงินเงินเข้าไปนะแล้วเราก็ดูตัวเรางนก็ไม่เปลี่ยนอะไรนะม ก, ก็บอกก็เป็นมาเลยแนละ้ว ก, ก็ไม่มีอาการอะไรเลย พอเสร็จแล้วจะคิดอยู่อย่างหนึ่งเขาเอกปราสงค์มดเขาบอกว่าถ้าเราเป็นมะเร็งหรือจะโรคอะไรก็ตามนะเราก็ขอสู่อยู่ส่วนเราเขาก็ขอให้อยู่ส่วนเขาทำบุญครั้งใดเนี่ยเราเนี่ยขอให้เคารพส่วนกุศลทั้งทุกครั้งที่เราทำํำบุญแล้วก็เราก็อยากให้เรียนรับ เราทั้งสองเนี่ยอยู่ด้วยกันไม่ได้อยู่ด้วยกันไม่ได้นะคเพราะฉะนั้นว่าเราต้องการทำความดีให้เขาเนี่ยเขาจะได้ตื่เกิดไปอะไรอะไระคือคู่พี่ะสิดดีให้เขาไปนั่งในนั้นก็จะพูดอย่างนี้นเป็นประจําเลยคือตอนนั้น ก, ก็บอเขาว่าเราไม่อยู่ด้วยกันไม่ได้มันมีความมาที่หลังแล้วมันเป็นแบบมากมันจะเครียดมากเลย เราไม่กล้าให้ลูกเห็นเพราะอยากครียดเากะเครายที่กว่าเราเพรเรารู้ว่าเขเครียดกว่าเราแล้วพอจะพอที่หลังก็พู่าอยากตายพูดบ่อยที่สุดคือคำว่าอยากตายอยากตายแต่ก็ไม่ได้มีลี้กับลูกหรือไม่ได้ทันท่มายใจเย็นแต่พูดเหมออยากแต่เ็ระรู้ว่าไปหาหมอครั้งนึงเรเรารู้เลย้าอยากแลเวราะ ลูกจะพูดกับหมอเนี่ยถ้าเอาเราไปที่อื่นเราก็ทํารู้แล้วต้องเออดจายอะรลูกจะต้องเสียเงินอัไอย่างนี้กคิดอย่างนี้แล้วมันอยากไปมาจนกระทั่งมีอันเหตึตั้งเตหลายปแคิดเยงนี้คิดอย่างเนียเพราเวลาเนี้ยที่จไปหามอต้องทานยาแก้เทียดดิแต่ตอนนี้ดีขึ้นเลยแต่ว่าดีขึ้นจากยาเด็กหมอรดมาให้ อยางนั้แลก็คิดว่าถ้าไปอีกครั้งนึ่งก็คงจะรอดอีกเพราะเรารู้ตัวเราแล้ว่าัวนี้เราอยูตรไนเขาเสร็แล้วก็บอลวนอนู่เนี่ยเป็นคนประอย่างคุณแม่คุณแม่ทาไมถึงชอพูดประหยัดต่างก็ลูกๆก็อยานอยานให้เลยแม่อยู่ก็บอกว่าคุณแม่ลำบากลบาให้กับลูกทุกคนเพราะลูกทุกคนยังต้องมีชีวิตอยู่อีกนานแต่เราเนี่ยเรารู้แล้วอีกไม่กี่วัน วันนี้มันมองเห็นอยู่ขา้างหน้าแต่เขาเแค่มันมาตอนนี้ก็ลูกก็จะเขาาคนยืนยันที่เราชอบพูดแล้วเขาบอกเขาจะได้ตอบแผนแบบว่าอะไรไอะไรเนี้ยเขาตัใจจนกระทั่งประก า, ารสุดท้ายที่ตัดใจได้จริงๆเลยเนี้ยเขามีร้านชายอยู่คนกำลังเรียนเรื่งสื่อดิบเขาก็ไปปลาแล้วกับาปูค่ะ ทำไมคัณยาถึงเาบอกว่าอยากจะตายอยากจะตายทาไมปัญญาถึงอยากจะตายปันยาเขาคิดถึงเสียไปหวนก็บ้างเลยเลยเนี่ยถ้าไม่จะมีปัญญแตบเนียเราก็ไม่ทราบหรอกเูกับป้าปแล้ววันเดียวาพูดกับคุณแม่แม่ลกแมว่าคุณแม่พูดอย่างนี้น้องเสียใจเพราะว่าปัญยายช่างคุณเล่กตายเลย เดีบางทีโทรศัพท์คุยเข้าดีกาอะไรก็ก็สื่อชั้นแบบนั้นนะคะอยางนี้นะคะอะไรเนี่ยเดี๋ยวเกิดก็มีคุณยาอะไรเนี่ยไปเจาะพุ่งเดี๋ยวพุ่อะไราพอรู้จักโก้ฟุกตัดใจไดนทีฉันจะต้องมชีวิตอยู่ลิกเกี่งอไรพี่สียเลิกเกี่ยงว่าต้องมีชีวิตอ่ฉันจะเลิกคิดแย่งหมเลิกฝันเคลือบเลิกอะไรกันเลยก็ถือหลานไปเลย เอออย่างนี้พีญยาจะอยู่ให้อีกสองปีคือถ้าอยากไม่อยากแคกเขาเห็นเขาเรียนสเรดเพื่อเตรีมความสเจนะก็เราก็บอกว่าอยากเสียเราอยากอากเห็นแต่พิยายทำไมจอพูดเพือตายตายก็จะไปพูดกระเพ่อนที่สุดเลยแม่โบพูดหลาังเราก็เลยยิ้มน้อยแต่ยิ้มเลจิติสอนคนะ เจอเนาก็จออย่างนี้แต่เราจะไม่พูดเรื่องตายตัดคำว่าตายตับคําอะไรออกไปหมดเราจะอยู่รักษาสุขภาพให้ดีเราจะต้อมเข้มแข็งแล้วก็ทําอย่างนี้ตลอดเวลาจะเครียดจะอะไรก็จะนึกถึงหลานแท น, น Oil, ที่จะนึกถึงลูกไปนึกถึงร้าคือเอาร้านานัเป็นที่ตั้งก็นะไม่พูดอีกเลยอยนี้ก็ไม่พูดตอนน่อไปแล้วคือคือมันก็ต้องใช้เวลานะที่จะ ตั้งอยู่ตรงนี้ได้ไม่งั้นตอนนั้นแย่มากแต่ตอนแย่ยังไม่ใด้ไส่บางทีไปเดินจอมโง่ข้างบ้านอุจจาระไว้มือนเหมือนอย่างแยเหมือนอย่างแยก็ไปเดิ น, น, ด น, ด น, ดนดถ้ากเรียกฟ้าก็ต้องไปทงต้นไม้หรือทำอะไรก็ได้จอ ย, อยู่เฉยๆอยู่เฉยๆแต่นี้อันนี้เรารู้ตัวของเราใช่ไหมลูกเก็เห็นวาพักแม่อยู่ก็ได้สอบแทนอะไอยเนี้ยมันก็พูดกันอยู่แค่เนี่ย แต่พอน้องซีก็พูดแล้วก็ูมันแล้วไอ้สามหยุดเลยหยุดได้เลยยวงนี้ยไม่รู้สึกอะไรเลยทังสิ้นแม้แต่ว่าอะไรสักนิดสักหน่อยตัดหมดเลยแล้ก็มาเมื่อไหร่ก็เมื่อหนันแล้วก็ไปสวดมนต์ขอหลวงพ่อขออยู่เห็นหลานทำการศึกษาอย่างน้อยก็เห็นก็ต้อหดักแล้ว หลาดงเจลยเลยหลานเรีตองเด็อกเตอร์จ้าอยกูกศาสตาจาเวลาเลยเดี๋ยวจะต้องไปเราก็จะมาแล้วนะจอเจดีจ้าพระเาแจกอยากไม่จัปยจ้าไปพกเราะองวัน อยากได้ที่หมดอาจารย์ถาาวันที่สสองเช้าสองบังกาต่องหมดไปขึ้นไปช้าอันน้คือเเคยผสลนะะอันเป็นหองที่ช้าแล้วก็เทศแล้วาชาิก็ยังไม่รู้เลยเกก็จะเป็น จนที่ขึ้นมาก็เท่าที่เาไ่ขึ้นได้แต่ว่าลูกๆูของไ <c oughs> อ่าจะจไไม่ได้่า อ, อยู่ชุมพรที่สิองหลงไตสงมเนี่ยเยจ็ดวันเลยดวัน <c oughs> อยู่ชุมพรนะไปยาก <c oughs> 穷水的。<laughs> 咪玩得多。放架嚟，哈！阿俊，好，健康啲啦，哈。嗯。<laughs> 嗯啊， 哈, 哈。 สบายดีฮะ